3. ปัตตว์หมวดวด่ดกบาต 1. ปัตตสิขาบทว่าด้วยบาทเรื่องพระชั พ, พคี598สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นาพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูจนั พ, พคีทำการสะสมบาทไว้เป็นอันมาก พวกชาวบ้านเดินเที่ยวตามวิหารเห็นเข้าจึงตําหนิประนามโพลธนาว่าไฉนไอพระสมณะเชื้อสายสกยาบุตรจึงทําการสะสมบาตรไว้เป็นอันมากจะขายบาตรหรือตั้งร้านขายภาชนะดินเผาหรือภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตนําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามโพลธนาว่าไฉนพวกภิกษุชาวพาุีจึงทรงอัตเรียกบาตรเล่า